สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่สิบเจ็ดครับของหนังสือ20กฎทองคาที่นำไปสู่ชีวิตที่สมานฉันท์และดีงามซึ่งเขียนโดยท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเท็งนะครับและแปลโดยท่านศาสตราจารย์สุพิษวิจักโยธินพี่น้องครับเราอยู่ในกฎข้อที่13ครับ ก็เป็นเรื่องของความสมดุลครับชีวิตของเรานั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสมดุลในหลายๆด้านนะครับเรามาถึงประเด็นที่17ครับความสมดุลระหว่างทัศนคติที่เราควรจะมีในเรื่องของความชื่นชมยินดีหรือความร่าเริงกับต้องสมดุลเกี่ยวกับการปรากฏตามความเป็นจริงหมายของว่าชีวิตจริงๆ ของคนที่ดําเนินอยู่ในแต่ละวันของพวกเรานั้นกับทัศนคติของความร่าเริงชื่นชมยินดีนั้นต้องมีความสมดุลกันต้องบาลานซ์กันครับพระเจชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่12ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลําบาก จงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลาบากโรมบทที่1 2บสข้อสิซึ่งเป็นคําพูดหรือข้อเขียนของอักทูตเปาโลครับสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวในพระคัมภีร์โรมบทที่1 2บสข้อสิตรงนี้เครื่องหนึ่งของพระคัมภีร์ตอนนี้คือคําว่าชื่นชมยินดีหรือร่าเริงความยินดีความร่าเริงนะครับ มีความหวังเป็นนิดเมื่อมีความหวังเป็นนิดจึงมีความเปลมปรีมีความร่าเริงมีความชื่นชมยินดีแต่อีกครึ่งหนึ่งของพระกัมพีตอนนี้นะครับก็คือเรื่องจริงๆหรือปรากฏการณ์จริงจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อก็คือความยากลาบากครับความทุกข์ยากลาบากนั่นคือปรากฏการณ์จริงๆครับเพราะว่าชีวิตของผู้เชื่อ ในสมัยแรกๆของกิจจักรนั้นเขาต้องเผชิญกับคำถามปัญหาการข่มเหงเขาจะต้องมีชีวิตจริงๆอยู่ในความอดทนพีน่นะครับนั่นแหละครับในความอดทนนั้นท่านอาจารย์เปาโลอัคขทูดเปาโลได้ให้ข้อเรียกว่าำคำสั่งครับจงครั บ, จ ง, รบจงชื่นชมยินดี ให้มีความปิติยินดีในความทุกข์ยากลำบากนั่นคือความสมดุลครับความสมดุลระหว่างทัศนคติที่ควรจะมีก็คือความชื่นชมยินดีกับการปรากฏตามความเป็นจริงนั่นคือความทุกข์ยากลำบากครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆคือความทุกข์ยากลำบากแต่จิตใจภายในนั้นจะมีความชื่นชมยินดี มีความร่าเริงมีสิ่งต่างที่เป็นความปิติยินดีพี่น้องครับถ้าเราไม่มีความสมดุลเรื่องนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความคิดไร้เดียงสารู้เท่าไม่ถึงการครับเพราะอะไรครับเพราะแค่มีความปิติยินดีมีความร่าเริงมันก็เป็นเรียกว่ามัวเมาในความคิดถามว่ามัวเมาอย่างไงครับก็แปลว่าคือไม่สมดุลนั่นเอง ก็เหมือนกับคนที่บ้าบาบบครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแต่ความยุ่งยากเกิดขึ้นเราก็แค่ผิวเผินครับก็คือชื่นชมินดีเขาสั่งให้มีความชื่นชมินดีเราก็ชื่นชมินดีแต่ไม่มีความคิดเป็นความคิดที่ไร้เดียงสาเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการพี่น้องครับถ้าไปอย่างนั้นนะครับก็จักแต่จะมีความยากลาบาก แล้ก็จะพบกับความสศกเศร้าผิดหวังพบกับความท้อแท้และหมดกำลังใจไปในที่สุดพี่น้องครับเราจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงปรากฏการณ์ที่แท้จริงเราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะร่าเริงแบบเลอะเทอะไม่ได้อีรยการหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางความลำบากยากเย็นแสนเข็ญอย่างไร เราก็จะไม่สูญเสียความเชื่อและความหวังใจครับจิตใจก็ยังคงรักษาความชื่นชมยินดีไว้ได้เพราะว่าเรามีความหวังความหวังนั้นเป็นความหวังที่เจิดจ้าเป็นความหวังที่เรามั่นใจว่าจะเกิดขึ้นจริงๆเป็นความหวังในความเป็นนิรันต์หรือชีวิตนิรัน์พี่น้องครับเมื่ออ่านบทความของท่านศาสตราจารย์ดอกร์ฟิลิปเทงในเช้าวันนี้ผมเองก็มีความคิดว่า ทำไมท่านาศาสตราจารย์ดร์ฟลิปเทงนั้นจึงเขียนว่านี่คือความสมดุลครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นความเข้าใจของผมว่าท่านเองนั้นพยายามที่จะอธิบายเมื่อไข้ควรพระโอะของพระเจ้าพระกัมภีร์โวมบทที่12บสข้อสิตอนนี้เองนั้นท่านเข้าใจว่าบริบทของผู้เชื่อในพระกัมภีร์ใหม่ในยุคแรกนั่นคือคริสตจักรยุคแรกนั้น เขาจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากความยุ่งยากการข่มเหงการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกกดขี่ทางสังคมที่เกิดขึ้นกับพวกที่เป็นคริสเตียนครับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนในยุคแรกนั้นเขาต้องฝ่าวันอุปสรรคมากมายหลายประการทีเดียวบางคนเอาชีวิตไม่รอดบางคนถูกข่มเหงบางคนถูกจับบางคนถูกทรมาน สิ่งต่างเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรยุคแรกนั้นก็ทำให้พวกเขานั้นมีความทุกข์ยากลำบากมากซึ่งเกิดขึ้นจริงๆพี่น้องครับใครจะช่วยเขาได้นอกจากเขาจะต้องรับความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาจะต้องมีความชื่นชมยินดีในความหวังครับเขาจะต้องมีความชื่นชมยินดีในความหวังแต่นั่นแหละครับ เป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องมีความสมดุลในเรื่องนี้ครับเราจะชื่นชมยินดีในความหวังแบบลมๆแมงแรงก็ไม่ได้เราจะชื่นชมยิด น, แบบลล ด, นยดีแบบไม่มีความคิดหรือความคิดที่ไร้เดียงสาก็ไม่ได้เราจะต้องไม่เป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการและเราก็มีความชื่นชมยินดีเดินเข้าไปหาการขมเหงชีวิตที่บา้บาๆบอๆหรือชีวิตที่ไม่เข้าใจมันไม่ใช่ครับเราจะต้องมีสติปัญญา เข้าใจและเราจะต้องรู้จักความยากลำบากในความยากลำบากนั้นเราก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องต้องมีความแม่นยำต้องรู้ว่าเราจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์สถานการณ์ที่แท้จริงอย่างไรพี่น้องครับไม่ว่าจะอยู่ในท่ามกลางความยากลำบากประการใดหนักหนาสาหัสใดๆก็ตามคนเหล่านั้นเขาก็ไม่สูญเสียความเชื่อและความ ไว้วังใจพระเจ้าครับเขามีความหวังใจอยู่เสมอในการช่วยเหลือที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขามีความหวังใจอยู่เสมอว่าหากเขาจากโลกนี้ไปด้วยการข่มเหงด้วยความทุกข์ยากลำบากด้วยสิ่งต่างที่ลุมเล้าชีวิตของเขาเขาจะไม่สูญเสียความหวังครับเขาจะไม่เคยสูญเสียความหวังเลยเมื่อเขาไม่สูญเสียความหวังนั้นเขาจึงจะมีความชื่นชมินดีได้แต่ความหวังของเขานั้น เป็นสิ่งเดียวครับที่ทำให้เขายังมีชีวิตยอยู่ต่อไปพี่น้องครับเมื่ออ่านค ำ, คำอธิบายตอนนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าในสมัยนี้นะครับในหมู่พวกเราเองนั้นก็ไม่ค่อยมีความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับในสมัยก่อนแต่ก็จะเป็นความทุกข์ยากลำบากความยุ่งยากในอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเป็นรูปแบบของ การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่ต้องต่อสู้กับความบาปที่ต้องต่อสู้กับการทดลองหลายอย่างที่ต้องต่อสู้กับการที่เราจะต้องรักษาความถูกต้องความยุติธรรมมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในขณะเดียกันครับก็มีพี่น้องบางกลุ่มบางคนที่จะต้องเผชิญกับโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางท่านต้องนอนติดเตียงบางท่านเป็นอมพุกอมภพาสบางท่านก็เป็นมะเร็ง เป็นโรคร้ายเป็นโรคที่รักษาไม่หายพี่น้องครับเราก็อยู่ในสถานการณ์จริงๆหลายครั้งทีเดียวคนที่ broken ก็คือคนที่ทํางานทําธุรกิจแล้วขาดทุนจะต้องชีวิตตกต่ําเคยมีชีวิตที่รุ่งเรืองเคยมีชีวิตที่สุขสบายเขากลายเป็นคนที่อาจจะไม่มีที่อยู่ไม่มีเกียรติไม่มีหน้ามีตาในสังคมอีกต่อไปพี่น้องครับพี่น้องเหล่านี้ของเรานะครับ เป็นพี่น้องที่กำลังเผชิญในสถานการณ์จริงๆครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งทำไมฉันต้องตกทุกข์ได้ยากทำไมฉันเคยมีชีวิตที่สุขสบายจะแป้งจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ทำไมฉันมีกำลังวังชาฉันเดินไปเดินเดินเหินไปไหนมาไหนได้ทาไมฉันต้องเป็นแบบนี้หลายๆครอบครัวก็จะต้องเผชิญ กับบางคนในครอบครัวนั้นก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้คือสภาพชีวิตจริงที่เราดําเนินอยู่ในโลกนี้เรารเผชิญอยู่ในโลกนี้เรารเผชิญด้วยความขมขื่นเรารเผชิญด้วยความรู้สึกว่าทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับท่านอากักขทูตเปาโลได้สั่งให้เรามีความชื่นชมยินดีในความหวังนั่นหมายความว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ จากสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้าและหลายๆลครั้งทีเดียวพระองค์ก็ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานตามสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ทราบครับว่าพระองค์มีน้ำมัทยอย่างไรต่อไปแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่พระองค์ได้บังเกิดทรงให้บังเกิดกับชีวิตของพวกเราทรงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเราเอง จะต้องยอมรับแล ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งได้ด้วยการไว้วางใจในพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าทรงมีน้ำมัไทยที่ดีต่อชีวิตของเราที่หลายครั้งเราคาดไม่ถึงขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แม้ว่าจะมีความทุกข์ยากลาบากครับแม้ว่าจะมีความยุ่งยากแม้ว่าจะมีความผิดหวังมีมีความเสียใจมีความท้อแท้ท้อถอยประการใดก็ตามพี่น้องครับจงชื่นชมยินดีในความหวัง คนที่จะก้าวมาถึงความสมดุลนี้ได้เขาจะต้องมั่นใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าและรู้ว่าเราต้องยอมรับนามาไทยของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเราจะสาจึงจะสามารถมีชีวิตที่สมดุลจะมีความชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราได้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนสูงสุดที่มนุษย์พึงจะได้รับเพราะเหตุที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วเราไม่อาจจะมีความชื่นชมยินดีไม่มีพระเจ้าแล้วเราคงไม่มีความหวังชีวิตนิรันต์ต่อไปไม่มีพระเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากท่ามกลางความเจ็บไข้ได้ป่วยท่ามกลางความท้อแท้ใจท่ามกลางความผิดหวังท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั่นจะมี กำลังที่จ ะ, ะเผชิญทุกสิ่งได้โดยอาศัยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอาเมน